แม่วันนี้หลวงพ่อมีกำลังใจสอนวพอพรุ่งนี้ปิดวัดเดี๋ยวจะไปสาราลุงชินที่สาราลุงชินคนเยอะเยอะกว่า น, นี้หลายเท่าเกือบเกือบสองพันละไปฟังธรรมกันจนชาวบ้านเดือดร้อนรถเต้นไปหมดเลยอย่างดีนะเขาไม่ไล่เขา แต่ทางมสทเขาบอกไว้ว่าถ้าถูกไล่จากสาราลุงชิน น, นั้นนิมนต์ไปมสทได้หลายพัน <c oughs> <c oughs> คนสนใจธรรมะนะเราดูว่าเยอะนะจริงๆเป็นคนส่วนน้อยมีนิดเดียวคนหลงโลกเยอะอันนี้เยอะเลยแค่ไปดูบอลสักแมตต์หนึ่งนะคนก็เยอะกว่านี้หลายเท่า <c oughs> หรือดูคอนเสิร์ตดาราดังๆนะคนเยอะแยะ คนมาเรียนธรรมะ ม, มีไม่มากอะที่มาเรียนแล้วเพื่อจะเอาไปฝึกกรรมฐานจริงๆนะก็มามากในยุคเรานี่เองสมัยที่หลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์เรียนกับครูบาอาจารย์ไม่ค่อยมีมีคนเข้าวัดเพื่อเข้าไปทําบุญบางทีก็ซื้อตั๋วนะแบบเขาจัดทัวเรียกอหรหันทัวเที่ยวตะเวนไปเกวัดสิบวัดเลยะตะเวนไปเรื่อยๆ พอไปถึงลงจากรถทัวก็รีบวิ่งไปไปสวดถวายสังฆทานสวดๆๆรับพรก็วิ่งมาเข้าห้องน้ำาขึ้นรถไปอีกวัดหนึ่งแล้วตะเวนไปเร้ยๆคนเข้าวัดส่วนมากแต่ก่อนเข้าไปทำบุญเดี๋ยวนี้ก็คงเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าคนที่สนใจภาวนามันเยอะขึ้นแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะคนที่สนใจจริงๆเป็นคนชั้นกลาง คนชั้นกลางใช่ไหมแล้วก็เป็นพวกมีการศึกษานะโครงสร้างของคนที่สนใจธรรมะนี่มันเปลี่ยนอย่างคนที่มาที่นี่ส่วนมากมนะัมีงานวิจัยนะมีคนเขาวิจัยเแล้วคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยส่วนมากเขาเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนพวกมนุษย์เงินเดือนทํางานกินเงินเดือนเป็นเดือนเดืนไปเดือ น, ไ, อนไหนตกงานก็แย่เลย พวกเราสนใจธรรมะจริงๆก็จะเอาไปใช้ในชีวิตกันจริงๆไม่ได้เรียนธรรมะเป็นพิธีกรรมเป็นประเพณีไม่ได้กาจะเอาบุญไปใช้ชาติหน้าละพวกเรากาจะเอาหลักธรรมะมาใช้ในชีวิตนี้จริงๆเดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อชีวิตของคนชั้นกลางเนี่ยเป็นชีวิตที่มันเสี่ยงสูงถ้าเป็นชีวิตชนชั้นล่างไม่เสี่ยงนะคือติดดินยังไงก็ติดดินอยู่อย่างนั้นแนหะ ชีวิตชนชั้นกลางชีวิตชนที่กลางสูงไม่ถึงขนาดสูงจริงๆ mm hmm. ล่าแหลมเรื่องพวกเราคนไหนมีสติปัญญาฉลาดนะก็มาเรียนธรรมะเอาไว้ฝรั่งมันก็เรียนนะแล้วมันต้องเสียงเงินเรียนไปเข้าคอร์สเรีย น, กนเก็บตังค์แพงๆของเราเรียนฟรีมีข้าวให้กินด้วย mm hmm. <laughs> มีหนังสือแจกมีซีดีแจก มีคนส่วนใหญ่เกิดมาในสังคมมีธรรมะมาตลอดในเมืองไทยไม่เห็นคุณค่าเท่าไหร่เคยชินมีคนกลุ่มพวกเรานี่แหละเห็นคุณค่าขึ้นมาต้องการสแสวงหาความมั่นคงในชีวิตตัวเองชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนพอมาเรียนธรรมะนะั้นเรากร็ได้อะไรขึ้นมาได้รู้ความจริงว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน พอเข้าใจความจริงตรงนี้เนี่นะจิตใจมันจะเกิดความสุขขึ้นมาเป็นเรื่องแปลกนะคนทั่วๆไปเนี่ยกลัวความทุกข์กลัวความไม่แน่นอนยิ่งกลัวก็ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นยิ่งดิ้นแบบไม่เข้าเรื่องมากขึ้นมากขึ้นแต่พอเรามามีธรรมะอยู่ในใจเราเนี่ยเรายอมรับความจริงได้ว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความไม่มั่นคงเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้ พอใจเรายอมรับความจริงได้ใจเราก็ไม่ดิ้นรนนะใจเราเข้าถึงความสงบสันติอย่างเราจะต้องแก่เราก็ไม่กลัวเพราะเรารู้ว่ามันต้องแก่เราจะเจ็บเราก็ไม่กลัวเรารู้ว่าต้องเจ็บจะตายเราก็ไม่กลัวนะเรารู้ว่ามันต้องตายจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราก็ไม่กลัวรู้ว่ามันต้องพลัดพรากจะต้องเจอสิ่งที่ไม่รักก็ไม่กลัวรู้ว่ามันธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างี้เจอของดีบ้างรายบ้าง อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันก็รับรู้ไปด้วยใจที่ตั้งมั่นใจที่เข้มแข็งเรียกว่าใจของเรามีคุณภาพในกา ร, รเผชิญปัญหาชีวิตคนทั้งหลายเนี่ยพอมีปัญหาเกิดขึ้นมันก็เติมความทุกข์ลงในใจพวกเรามีธรรมะเรามีเกราะป้องกันความทุกข์ในหัวใจเราปัญหามีไหมปัญหามีปัญหายังมีเหมือนปกติเหมือนคนทั่วทั่วไปนั่นแหละ เกิดแก่เจ็บตายเหมือนคนอื่นพลัดพรากจากสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ไม่รักไม่สมหวังมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสารเสริญแล้วก็มีนินทามีสุขแล้วก็มีทุกข์เหมือนคนอื่นนั่นแหละแต่ใจเรามั่นคงใจเราไม่กระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงเจอสิ่งที่ดี น, นก็ไม่หลงระเริงไม่ประมาทหลายคนประมาทนะอย่างคนที่รวยมาง่ายๆไปเล่นพุ่นรวยมาง่ายๆไปถูกหวยรวยมาง่ายๆหา ย, หยนะเร็วพวกนี้ เพราะประมาทหรือได้ง่ายเราปากกัดตีนถีบน้ำพักน้ำแรงนะแล้วเรามีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยโอ้มันมั่นคงกว่ากันเยอะเลยตำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทสังคมกำลังวุ่นวายนะการเมืองก็ไม่หยุดนิ่งเศรษฐกิจก็ไม่ดีเลยเนี่ยสังคมก็ไม่ดีครอบครัวเงี้ยครอบครัวแตกสลายคนเท่าคนแก่เงียบเหงา ว, ว้าเบ่ เด็กๆไม่ได้เจอพ่อเจอแม่เด็กเจอแต่อินเทอร์เนต็ตเจอกับเพื่อนพากันไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยสังคมเรามันแตกสลายไปสถาบันต่างๆสถาบันาศาสนาดูงอนเงนงอนเงนันนั่งรถไปตามถนนนะเห็นแล้วสลดสังเวชใจเห็นคัตเอาท์ใหญ่ๆเนหะ็นเชิญมาฝังลูกนิมิตเชิญมาปิดทองยกช่อฟ้า มีมโหสพสมโพธมีดาราตลกมีอะไรโอ้โวน่าสงสารจังเลยเชิญมาลอดโบสถ์คือไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะต้องหาอยู่หากินหาเลี้ยงตัวเองไปลำบากมากเลยาศาสนาก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งทำไมาศาสนาไม่เป็นที่พึ่งเพราะคนไม่ได้คิดจะพึ่งาศาสนาจริงคนบไม่สนใจศึกษาธรรมะจริงๆ มักง่ายคิดว่าไปทําอย่างนี้เฮงแล้วก็ชีวิตจะดีขึ้นล่ะมักง่ายเกินไปไม่ช่วยตัวเองคิดจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหารู้ไม่ว่าเราได้่ยไรไปเลี้ยงสิ่งเหล่านั้นไว้เทวดาไม่ได้มาช่วยเรานะเราไปสร้างเทวดาให้มันไม่นับถือเอามาเป็นที่พึ่งหลอกตัวเองไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เหมือนคนมีธรรมะนะธรรมะ มีธรรมะในใจเราเรารู้ความจริงของกายของใจไปได้วยเรียกว่าเรามีที่พึ่งวันใดที่เราเข้าใจธรรมะนั้นได้เป็นพระโสดาบันเราจะรู้เลยว่าเราไม่คลอนแคลนในสรณะของเราแล้ในที่พึ่งคือพระรันตนตรัยละลำพังปุถุชนเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยศรัทธาของปุถุชนยังคลอนแคลน เ, นเวล า, าศาสนาไม่ขัดแย้งผลประโยชน์เราเราก็นับถือ ถ้าเมื่อไรไม่เกือ้อกูลผลประโยชน์เราเนะี่ยเราก็ไม่เอาพร้อมจะทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ไปนับถืออะไรก็ได้นะเมื่อก่อนก็ไปนับถือเทวดากันเออกระเริกเลยนะก่อนจ้ตุคามก็นับถือสารพัดมาแล้วนะนับถือพระลาหูก็นับนะนับไปถือไปหมดเลยบัวสามขาก็าชิงจกสองหางแล้วก็นับถือหมดเลยคนในโลกนัเกิดไปด้วยควาไม่รู้ เขาเต็มไปด้วยความไม่รู้นะเขไม่รู้ในธรรมะไม่รู้วิธีปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เขาก็จะเวียนว่ายอยู่ในความทุกข์เรื่อยๆไปพวกเราเป็นคนส่วนน้อยนิดเดียวเท่านั้นเองสนใจมาศึกษาธรรมะเรามาหาเจริญสติศึกษาธรรมะไม่ใช่แค่เรียนปริยัติแต่เรียนปริยัติก็มีประโยชน์อย่างน้อยก็รักษาห ล, ลักธรรมเอาไว้ไม่ให้ฟันเฟือน ถ้าลำพังมีแต่นักปฏิบัตินะแป๊บเดียวจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้สังเกตไหมชอบทะเลาะกันระหว่างสำนักเพรบัญญัติไม่เหมือนกันหรือภาวนาไปก็ต่างคนต่างก็คิดวิธีการเองนอกรีดนอกรอยที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรเงี้ยเช่นสอนให้ไปอยู่ในความว่างอะไรเงี้ยเลีวไหลพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ไปอยู่ในความว่างอยู่กับสุญญาตาไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนให้มีสติรู้กายรู้ใจรู้ปริยัติมันก็มีหลักมีที่ยึดเอาไหมไม่ออกนอกกรอบมากไป แต่รายละเอียดนะชั้นเชิงการปฏิบัติแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่ไม่เหมือนกันทีเดียวแต่หลักโดยหลักนั้นจะเหมือนกันนี่เรียนแต่ปริญญาอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติวิธีปฏิบัตินะเรปฏิบัติอะไรบ้างเราปฏิบัติศีลนะต้องมีศีล น, นะพวกเราถ้าขาดศีลชีวิตเราจะไม่มีความสุขอย่างในห้องนี้บางคนก็แอบมีกิก๊ก มีชู้มีอะไรมีไม่ใช่ไม่มนะีมีแล้วมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์มีแล้วมันมีความทุกข์นะมีความทุกข์มากเลยชีวิตนี่หาความสงบสุขไม่ได้เลยบางคนติดยาบางคนเครียดบางคนสารพัดเลยกินเหล้าเครียดมากมากไปกินเหล้ากินยานี่ถ้าเรามาเรียนธรรมะนะเราตั้งใจไห้พยายามรักษาศีลไหม ถ้าเรามีศีลเนการภาวนาจะง่ายใจเราจะสงบง่ายถ้าเราขาดศีลเนใจเราฟุ้งสัน้นหาความสงบสุขไม่ได้อย่างถ้าเรามีชู้เนี่ยนะ ใ, ใจเราไม่สงบสุขอะมันขนองเป็นความรู้สึกขนองแต่ว่าไม่ได้มีความสงบสุขเต็มไปด้วยความทุกข์เพนั้นเบื้องต้นเลยเราปฏิบัติทแเราก็รักษาศีลไว้นอกจากศีลแล้วเราก็มาทำความสงบใจของเราบ้างวันๆอย่าลงกับโลกมาก ให้เวลากับการเรียนรู้จิตใจตัวเองค่อยฝึกใจของเราเรื่อยๆใจเราจะไหลตามโลกไปคอยรู้ทันมันเรื่อยๆแในใจเราก็สงบใจเราก็ตั้งมั่นขึ้นมายัางไม่ทันจะเกิดมากคผลอะไรก็เริ่มมีความสุขและจิตมันมีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นขึ้นมาค่อยๆฝึกจิตค่อยๆสังเกตจิตไปเรื่อยๆจิตฟุ้งซ่านเรารู้ทันจิตฟุ้งซ่านเรารู้ทันนะจิตมีกิเลสมาผลักดันเราคอยรู้ทัน พอรู้มากข้าวมากข้าวเนี่ยจิตจะสงบนี่เรียกว่าจิตสิกขาฝึกแล้วได้สมาธิจิตสงบจิตตั้งมั่นต่อไปเราก็ปฏิบัติทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกพอเรามีศีลแล้วเรามีจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเรามาเจริญปัญญามีสติคอยรู้สึกกายมีสติคอยรู้สึกใจร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึก คนในโลกนะรักตัวเองมากที่สุดเลยแต่ลืมกายลืมใจทั้งวันเลยหาเวลาที่รู้สึกกายหาเวลาที่รู้สึกใ จ, กใจนี่ยากที่สุดมีชีวิตตั้งหลายสิปีก็หลงโลกไปได้วยเพลินเพลิอนอยู่กับโลกข้างนอกไม่มีสติรู้กายรู้ใจมีธรรมะอยู่กลุ่มหนึ่งนะมีหลายพระสูตรเลยท่านสอนไว้ท่านสอนบอกว่าคนที่มีสติ มีสติอยู่เนี่ยแม้กระทั่งจะมีชีวิตอยู่เพียงคืนเดียวก็น่าชมเชยส่วนคนมีชีวิตตั้งร้อยปีนะไม่มีสติเลยัก็ไม่น่าชมเชยร้อยปีไม่มีสติก็คือร้อยปีขาดสติร้อยปีเตรียมตัวไปอาบายัยเท่านั้นเองวันเดียวมีสตินะสะสมไปในอนาคตชาตินี้สมมติว่าชาตินี้มีสติอยู่ได้วันเดียวชาติต่อๆไปมันจะได้หลายวันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้น คนที่เขาภาวนาง่ายในชีพิตเนี่เพราะเขาภาวนายากมาก่อนนะพวกเราบางคนภาวนาลำบากคนอื่นเข้ามาฟังหลวงพ่อเดือนเดียวเขาก็ตื่นขึ้นมารู้กายรู้ใจได้แล้วเราฟังตั้ง5ปี10ปี20ปีถึงจะค่อยตื่นพี่วัยนี้ฟังน้อนอ น, นมากเพิ่งมาค่อยตื่นตอนหลังๆนี้การ น, นั้นก็ไม่เข้าใจทำแต่ความสงบใจมันไม่ตื่นบางคนตื่นเร็วบางคนตื่นช้า ได้หลายหลายปัจจัยนะเคยตื่นแล้วมันก็ตื่นง่ายหรือมีปุณไม่ไปติดอยู่กับสมาธิไม่ติดอยู่กับสมาธินิ่งๆ น, นานๆ น, นพวกนี้ก็ตื่นง่ายพวกที่ติดเพ่งอยู่ตื่นยากถามว่าติดเพ่งมันเป็นความผิดหรือชั่วร้ายหรือเปล่าไม่ชั่วติดสมาธิก็ติดดีแต่เป็นดีชนิดที่กั้นไม่ให้เราเจริญปัญญาได้ นี่บางคนใจเข้มแข็งกล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเคยติดสมาธิอยู่กล้าวางไปมาหาเจริญสติรู้กาย ร, รู้ใจและสมาธิที่ทำอยู่เนี่ยมันจะมาเป็นเครื่องมือในการเจริญสตินย่งคนที่มีสมาธิอยู่ในเวลามาเจริญสติเนี่ยจะรู้ได้ได้มากรู้ได้ต่อเนื่องส่วนคนซึ่งไม่เคยมีสมาธิที่ดีๆมาก่อนนะเวลารู้แวบหนึ่งเราหลงยาว หลงหายไปเป็นวันๆเนะลยังก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วถ้าฝึกสมาธิมาก่อนแล้วใจถึงถงนะมาวางสมาธิลงแล้วไม่เจริญสติเจริญปัญญามีสติในชีวิตประจำวันให้มากเพราะนี่ไปได้เร็วเพราะจิตมีกำลังไม่มีหลายเงื่อนไขนะอีพวกหนึ่งก็ทำบุญทำอะไรมาสารพัดเลยนะอยากได้นิพพานทำบุญ แต่ว่ามีอกุศลบางอย่างเช่ชอบปรามายร่วงเกินพระอริยะถ้าไม่ใช่อริยะจะไม่ร่วงเกินมีบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะกัดทีไรกัดแต่พระอริยะทุกทีเลยแบบเอาทีไรต้องเอาให้หนักๆไว้เลยดูถูกก็ดูถูกพระพุทธเจ้าเลยดูถูกพระสาวกอะไรอย่างเงี้ยนะพวกนี้มีบุญบางอย่างนะก็ามาทำกรรมหนักบางอย่างอย่างบางคนนะมีบุญที่เกิดมาสวย กัดใครไม่กัดกัดพระพุทธเจ้านะมีมีบุญนะทำบุญมาดีแต่ว่ามันมีอกุศลเห็นผิดเป็นชอบพวกนี้ภาวนาไม่ขึ้นภาวนาไม่ได้นี่พวกเราก็ไม่ได้มีเงื่อนไขที่เร็วๆเหล่านั้นพวกเราก็ภาวนาไม่ยาก น, ะนีบางคนมาหัดเจริญสตินะั้นเดือนเดียวก็สติเกิดแล้ว แต่ว่าอาศัยที่ว่าไม่เคยสนใจปฏิบัติมาก่อนเลยใจไม่เคยสงบไม่เคยตั้งมั่นไม่เคยทำสมาธิเลยเพอมีสติอยู่ไม่นานนะก็หลงโลกไปละคราวนี้ช้าแล้วช้าแลหลงโลกส่วนพวกติดสมถะนั้นก็ช้าเพราะว่าไปเพ่งเอาไว้กายนิ่งใจนิ่งไม่แสดงไตรักษ์พวกหลงโลกก็ลืมกายลืมใจไม่มีทางเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษ์หรอกเพราะกายกับใจมีอยู่ยังลืมมันไปเลย ให้พวกเราพยายามรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจบ่อยๆนะเราในห้องนี้เป็นคนมีบุญแล้วล่ะเราเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะทั้งร่างกายทั้งจิตใจเราเป็นมนุษย์ที่เรียนธรรมะได้เรามีบุญมากกว่านั้นอีกเราอยู่ในแผ่นดินที่มีธรรมะอยู่บางคนลำบากนะบางคนยังมีฝรั่งมาเรียนหลวงพ่อเห็นใจมากเลยเกิดในแผ่นดินซึ่งเรียนธรรมะยากไม่ค่อยมี ของเราเกิดในแผ่นดินนี้ก็ยังหา ง, ง่ายธรรมะแต่ง่ายเกินไปง่ายจนเคยชินจนไม่เห็นความสําคัญนะเหมือนเราอยู่กับสามีภรรยาเรามานานๆนะเคยชินไม่เห็นความสําคัญหรอกหายไปไหนยังไม่รู้เลยมันแต่งตัวยังไงก็มไม่รู้นะตอนเป็นแฟนเนี่ยเปลี่ยนทรงผมนิดเดียวก็รู้แล้ววันนี้เปลี่ยนน้าหอมก็รู้แล้วก็แต่งงานแล้วนะอุตส่าห์ไปตัดชุดใหม่มาเดินกลุยกลายให้ดูยังไม่เห็นเลย เหมือนเห็นโตะเห็นเก้าอี้เห็นหมาตัวหนึ่งเนี่ยเคยชินถจนกระทั่งไม่เห็นความสาคัญถ้าหายไปแล้วถึงจะรู้ว่าสําคัญเราเคยชินกับธรรมะจนไม่เห็นมันสาคัญนี่พวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นพวกเรายังสนใจธรรมะอยู่ในแผ่นดินที่มีธรรมะแล้วเรายังสนใจทําไมนี่พวกเราบุญเยอะนะสนใจธรรมะแล้วพวกเรายังไม่ไปหลงเตลิดเปิดเปิงออกนอกลูนอกทางเรามาเรียนธรรมะว่าด้วยการเจริญสติ เป็นธรรมะที่ตัดตรงเข้าถึงมากผลนิพพานไม่อ้อมไม่อ้อมข้อมบางคนเข้าวัดก็ไปเข้าไปหาอย่างอื่นเห็นไหมหรืบางคนก็ไปเรียนแต่ปริยัติอย่างเดียวไม่ลงไม่ลงมือปฏิบัติพวกนี้ก็น่าสงสารไปอีกแบบเรียกว่าไม่สบายป่วยหนักนะมีตำรายาอย่างดีเลยแต่ไม่เคยปรุงยาขึ้นมากินเลย น, นี่น่าสงสารไปอีกแบบพวกเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดในแผ่นดินที่ดี พวกเรามีสติปัญญาสนใจธรรมะพวกเราได้ฟังธรรมะมีบุญนะพวกเราเหลืออย่างเดียวเท่านั้นแหละปฏิบัติทําให้สมควรแก่ธรรมถ้าปฏิบัติทําให้สมควรแก่ธรรมคือมีสติรู้กายรู้ใจเร่อยๆไปเรียกว่าปฏิบัติธรรมถึงวันหนึ่งเราได้มรกได้ผลขึ้นมาเราจะรู้คุณค่าที่แท้จริงของพระศาสนารู้เลยว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ถึงจะดีถึงจะวิเศษแค่ไหนก็เป็นเพียงเครื่องช่วยให้อยู่ในโลกอย่างสบายมีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านะช่วยให้เราอยู่เหนือโลกได้อยู่เนือโลกมันดีตรงไหนมันดีตรงที่มันพ้นจากความแปรปรวนโลกนี้เต็ไมไปด้วยความแปรปรวนนะมีสุขแล้วก็ทุกข์นะมีสรรเสริญแล้วก็นินทามีลาภแล้วก็เสื่อมลาภมียศแล้วก็เสื่อมยศโลกมันเป็นอย่างนั้น โลกก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงตลอดเวลาโลกไม่เคยสงบสันติที่แท้จริงยุคใดเรียกร้องสันติภาพมากแสดงว่ายุคนั้นไม่มีสันติภาพยุคใดเรียกร้องเสรีภาพแสดงว่ายุคนั้นไม่มีเสรีภาพยุคใดเรียกร้องความรักความสามัคคีแสดงว่าไม่มีความรักความสามัคคีเนม squeezed, โลกมันเป็นหนึ่งนี้โลกมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความแปรปรวน จะเก่งจะพิเศษยังไงนะสมมติเราเรียนเก่งมากเลยเรารวยมากเน่ยถามว่าเราจะพ้นจากการกระทบกระทั่งของโลกได้ไหมพ้นไม่ได้นะเรายัางอยู่ในโลกแต่ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเรานะปฏิบัติธรรมเรารู้กายเรารู้ใจมากเข้ามากเข้าเนี่ไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นในโลกเนี่ยใจมันสงบใจมันมีสันติสุขอยู่ได้มีอนวความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากอย่างสิ่งที่รักการเจอสิ่งที่ไม่รักนะ ความผิดหวังทั้งหลายเกิดขึ้นไม่ทุกหรอกทุกก็ทุกน้อยกว่าคนอื่นมีบางคนนะมาเล่าให้หลวงพ่อฟังทําธุรกิจระดับร้อยล้านอยู่ๆไม่นานไม่นานมานี้ไม่กี่เดือนนี้อยู่ๆแบงค์ไม่ไม่ปล่อยเงินให้ละปล่อยมาตลอดนะั้นก็หมุนเวียนทํางานทําธุรกิจมาได้ๆอยู่ๆก็ไม่ปล่อยแล้วเพราะแบงค์ฐานะไม่ค่อยจะดีกลัวเกิดกลัวหนี้สูงขึ้นมา ธุรกิจร้อยล้านล้มไปเฉยๆเลยไม่มีทุนหมุนเวียนนะกลับไปอยู่ที่ศูนย์ใหม่คื อ, อไม่มีอะไรเหลือใหม่แต่คนนี้ยังดีนะสมัยที่ยังร่ำรวยเนะี่ยศึกษาธรรมะหัดดูตายดูใจของตัวเองอยู่เรื่อยๆวันที่ธุรกิจล้มลงไปนะคิดอย่างหนึ่งนะไม่อยากฆ่าตัวตาย อยาฆ่าตัวตายแล้วเแล้วใจที่มันมีธรรมะมัเตือนขึ้นมาก่อนหน้านี้เราก็ไม่มีอะไรนะภาพเพียนสร้างมันขึ้นมาได้มันได้มาแล้วมันก็เสียไปโลกมันเป็นอย่างเนี้ยไม่ฆ่าตัวตายนะแล้วอย่างหนึ่งก็ามาคิดดูเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมททาธุรกิจเจ๊งแล้วฆ่าตัวตายเดี๋ยวเสียชื่อหลวงพ่อน <c oughs> จริงหลวงพ่อไม่ห่ว ง, งเรื่องเสียชื่อหรอกนะแต่เวลาคุยกับมันก็เอออย่าไปฆ่านะเสียชื่อหลวงพ่อนะ รีบคล้อยตามมันไปเดี๋ยวมันฆ่าตัวตายตอนนี้ก็เริ่ม ต, ตั้งหลักขึ้นมาใหม่ได้แล้วล้มแล้วมันก็ลุกได้นะคนเราล้มแล้วอย่าให้ใจเราล้มไปด้วยใจเรามีหลักยึดมีธรรมะไว้เห็นเลโลกมันแปรปรวนอย่างนี้เลสู้ได้เตียมตัวเตียมตัวต่อสู้กับชีวิตด้วยการมีธรรมะอยู่ในใจเราอะไรล้มได้นะสูญเสียได้ไม่เสียกำลังใจของเรา มีสติมีปัญญารักษาใจไว้ทำธุรกิจล้มไปก็สู้ตายสู้ด้ยวยสติปัญญาเกิดความพรมพลาดลุพลาดไปล้มเหลวไปในชีวิตทำความผิดพลาดไปก็ตั้งต้นใหม่ทำผิดศีลผิดธรรมมีชู้มีกิ๊กอะไตั้งต้นใหม่ทำธุรกิจไม่ดีตั้งต้นใหม่ขอให้ใจเราดีก่อนแล้วกันให้ฝึกไปเรื่อย เสียอะไรก็เสียได้ให้ใจเราเสียให้ใจเรามีธรรมะหล่อเลี้ยงไหมธรรมะที่ดีนะมีศีลไหมมีใจที่สงบมีใจที่ตั้งมั่นไว้อย่าหลงละเริงกับโลกมากมีสติรู้กายรู้ใ จ, จเจริญปัญญาไปแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ล้มละลายทางธรรมะไม่ล้มละลายทางจิตอิญญาณมีบางคนคนที่รักอยู่ๆก็ตายไปมีธรรมะไม่เป็นไร จิตใจยังมั่นคงอยู่บางคนก็อยู่ๆก็ตรวจเจอเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วหมอบอกอยู่ได้อีกเดือนเดียวก็ตายแล้วเคมีนะหลายคนนะแต่ว่ามหัดภาวนานะอยู่มาป่านนี้ยังไม่เห็นตายสักลายเลยมีบางคนแข็งแรงดีมหัดภาวนาแนละ้ววใจวายมีมีกันเนื <c oughs> ้อที่ว่าเป็นมะเร็งมะเร็ง ควรจะตายเร็วๆก็ตายช้าไหนบางคนก็หายอยู่มาได้เรื่อยๆไม่เป็นเข้าใจมันสงบใจมันดีจิตใจมันสงบจิตใจดีจิตใจมีความสุขนะมีภูมิต้านทานของร่างกายมันมากขึ้นจิตใจเศร้าหมองมภูมิต้านทานของร่างกายลดลงเป็นอะไรนิดเดียวก็ตายง่ายถ้าเราฝึกจิตฝึกใจแม่นดีหลายอย่างเลยคนที่เรารักจะตายเราก็ไม่เป็นไรไม่หวั่นไหว กระทั้งตัวเราจะตายเองก็ไม่หวั่นไหวหลายคนภาวนาเนี่ยฉุกเฉินขึ้นมานี่ยธรรมะช่วยเราไม่หวั่นไหวพวกเราหลายคนชอบขับรถเร็วรถพลิกรถคว่ำรถหมุนนะไม่มีใครเป็นเลยมาส่งกันบ้านเหมือนกันหมดเลยยังก็ปปีก้กันมาคือพอตอนที่เกิดอุบัติเหตุนเนี่ยจิตมันเด่นดวงตั้งมั่นขึ้นมาเลยสติมันทำงานอัตโนมัติขึ้นมารู้ตัวตลอดเลย หัวกำลังจะโขกทางนี้นะขยับนิดหนึ่งก็ไม่โขกแล้วใดนิดๆหน่อยๆหลบหลบเลี่ยงได้ไม่ค่อยเป็นอะไรแต่นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวไม่ต้องฝึกน ะ, จะเจริญสติไปแล้วเวลามันฉุกเฉินขึ้นมามันเป็นเองไม่ต้องซ้อมเอาละวันนี้วิ่งร้อย8ี่สิบร้อยแปดิบงเบรกปุ๊บลองดูซิจะเกิดอะไรขึ้นลืมตาขึ้นีทีเจอยมประบาล <laughs> <laughs> เพราะเองก็โง่งั้นฝึกไปนะ ธรรมะไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อจะพ้นโลกอย่างเดียวหรอกคนไหนยังไม่อยากพ้นโลกอยากอยู่กับโลกเราก็มีธรรม ะ, จะเจริญสติรู้กายรู้ใจไปมีศีลไว้นะฝึกใจอยู่กับธรรมะเข้าเคลียนในธรรมะให้จิตใจมันมีความสุขความสงบแล้วก็จเจริญสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยมีศีลมีสมาธิปัญญานี่แหละอยู่ในโลกเราก็ทุกน้อยนะเป็นชาวโลกที่ดีมีความทุกน้อย คนไหนอยากจะพ้นโลกไปเลยนะก็จเจริญสติให้มากขึ้นมากขึ้นาการที่เรามีสติเราอยู่กับโลกได้อย่างสบายเนี่ยก็เป็นฐานเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้พ้นโลกในวันหนึ่งข้างหน้าคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยแล้วก็เป็นชาวโลกที่ดีเป็นเขา้ารางหัดที่ดีจิตใจเราพัฒนาไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราได้มรกได้ผลขึ้นมาไม่ต้องไปคิดถึงมรดผลหรอก ให้เจริญสติรู้กายรู้ใจไว้ถ้าทําไปสมควรแล้วมรรคผลมันเกิดขึ้นมาเองเหมือนเป็นของแถมได้มรรคได้ผลขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเป็นโสดาเป็นสกทาคาแล้วจะอยู่กับโลกไม่ได้เดี๋ยวเมีย จ, จะทิ้งอะไรไม่เกี่ยวหรอกอยู่กับโลกได้แล้วอยู่อย่างได้ดีด้วยถ้าพาคนในบ้านมาภาวนาด้วยกันนะบ้านร่มเย็นยิ่งดีใหญ่ภาวนาไปเรื่อยๆนะเนี่ยจนถึงได้พนะอนาคา ถ้าพาเมียภาวนาด้วยก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนอะไรถ้าไม่ได้ภาวนานะภาวนาคนเดียวก็ชักเดือดร้อนพฤติกรรมมันเปลี่ยนไม่สนใจเรื่องกรรมคุณอารมณทั้งหลายผู้หญิงไม่เป็นไรผู้ชายมีปัญหาผู้หญิงไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่นี่ถ้าภาวนามาถึงตรงนี้แล้วอยากพ้นทุกข์ในชีวิตนี้ก็มาบวชอย่างเงี้ยมาภาวนาขั้นแตกหัก ขั้นแต่หักเนี่ยเหมาะกับเพศของนักบวชเป็นพระเป็นชีทํำง่ายเป็นฆราวาสทํายากขั้นที่สามจะเป็นพระนาคาเนี่ยฆราวาสก็ยากมากหละขั้นโสดาสกตถาคานี่เป็นฆราวาสธรรมดานี่แห ล, ละแล้รักษาศีลไว้ให้ใจคอยเข้าเคลียร์กับธรรมะไม่ไปฟุ้งอยู่กับโลกมีสติรู้กายรู้ใจของตัวเองไปเรื่อยๆโสดาสกตถาคานี่ไม่ไกลเกินในเรื่อมหรอ ไม่ไกลเกินนะคถ้าไม่เปเพ่งให้นิ่งนะไม่เอาแต่คอยตีกับล่าอายะไม่เปเพ่งให้นิ่งแล้วก็ไม่หลงละเริงไปกับโลกถ้าไม่อย่างนี้นะไม่สามไม่เนี่ยนะไม่ผิดศีลผิดธรรมออกสีไม่ก็ไม่เป็นอย่างนี้นะเราเป็นฆราวาสแล้วมีสติรู้กายรู้ใจไปได้วันหนึ่งก็ได้โสดาไม่ยากเท่าที่คิดออกโสดาไม่ให้เกิดจากทำอะไรประหลาดปลาด มันก็แค่มีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยไปเห็นความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปกายเป็นยังไงก็รู้สึกไปจิตใจเราเป็นยังไงก็รู้สึกไปเห็นแต่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เห็นแต่มันบังคับไม่ได้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูไปอย่างเงี้ยเป็นคราวาสก็ได้ธรรมะได้คราวาสได้ธรรมะก็มีเยอะแยะไม่ใช่ไม่มีแต่ส่วนมากก็ได้ธรรมะเบื้องตน้นธรรมะเบื้องไกลายไม่เหมาะกับเพศคราวาสอยู่ไม่ได้จริง อยู่ยาก ง, งั้เราฝึกนะฝึกไปต้องการอยู่กับโลกเราก็มีสติไปต้องการพ้นโลกก็มีสติไปทําเหมือนกันนั่นแหละแต่อินทรียีแก่รอบแนละ้วมันพ้นโลกเองไม่เสียดายนะเวลามันพ้นโลกไปไม่เสียดายจะรู้สึกว่าเป็นบุญเหลือเกินที่พ้นจากโลกได้ตอนที่ยังคลุกกับโลกยังไม่ได้ทํามาเนี่ยท่านคิดว่าจะพ้นจากโลกแล้ว เ, เสียดายจะพ้นจากกามจะพ้นจากสิ่งที่รักอะไรนี่เสียดาย แต่เราจเจริญสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆนะพอมันพ้นเของมันจริงๆไม่เสียดายคับดีใจสะอีกจะรู้สึกเลยเมื่อก่อนนะเหมือนสัตว์เหมือนตัวทากอยู่ในก้นเหวกระดึบกระดึ๊บวนเวียนอยู่ในที่สกปลกที่แฉะแฉะชื้นชื้นมืดมื ด, มดหลุดขึ้นมาอยู่บนยอดเขาได้โอ้โหอัศจรรย์ดีใจนะไม่เสียดายหรอกที่เคยเกิดเป็นทากเวลาใจมันพ้นมามันรู้สึกอย่างนั้นน ะ, ะไปไปทานข้าวนิมนต์ท่านอาจารย์นะครับ